คำตั้งปณิธานปรารถนาด้วยอนุภาพแห่งบุญปุสลที่ข้าพเจ้าได้เจริญวิปัสสนามาแล้วนี้ขอจงเป็นผลว่าปัจจัยเป็นอุ ป, ปานิสัยตามส่งให้เกิดปัญญายานทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงซึ่งความพ้นทุกข์คือพระนิพพาน